ขาลมปูวงสุภาจารโลนะโมตัสสะพะกวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะกวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะกวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะธรมโมหะเวรคติธรรมจารีติ ทูปประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะอขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์วันนี้ก็ไม่นึกว่าจะมีรายการแถมตรงนี้ด้วยเนาะจริงก็มีภาระอยู่นักกับครูบาอาจารย์ไว้วันนี้เป็นวันลงบูสดท่านก็ร อ, ออยู่ก็เลยขอโอกาสท่านเมื่อตรงปู่ท่าน เมตตาให้ขึ้นกล่าวคํากับยศทาโยมก็จะปฏิเสธก็กะไรอยู่เนาะการเวลาไม่ยอ่อไม่เคยคอยไครนะการเวลามันเดินไปตามเวลาจริงๆไม่มีคําว่ารอใครเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการเวลาในโอกาส น, นี้การเวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเนี่ย ตั้งใจฟังแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยนะคําว่าปฏิบัติธรรมก็คือน้อมนําเอาธรรมขอ ง, ององค์ตุเบาสมาธ เ, เจ้ามาไว้ในตัวเราเองนั่นเองนะคําว่าตัวเราก็ร่างกายของเรานี่แหละอ่หนะลวงปู่บอกว่าวันนี้มีแต่เนื้อว่ามีมีอย่งยางย่า่เลยนะอนะนะ่ก็ฟังดูแล้วกันว่าจะเป็นสภาวะอย่างไรเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะ ทำทั้งหลายนั้นน่ะไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเรามาพิจารณากายของเราก็เป็นธรรมทั้งหมดเลยถ้าจะน้อมแล้วลึกไปถึงขั้งที่พระองค์ทรงตัตรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาตัมโพธิญาของพระองค์นั้นในคำํำประกาศนั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาภายในกายทั้งหมดเลยไม่ได้พิจารณาเรื่องนอกกายเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นภายในกายทั้งหมดนะก็เลยเป็นธรรมทั้งทั้งหมดเลยนะพิจารณาตรง น, นี้แล้วบทธรรมทั้งหลายเนี่ยพระแม่คกอาจารย์ท่านยกขึ้นแสดงก็ไม่ได้แสดงเรื่องอะไรก็เพียงแต่เรื่องกายวาจาใจของเราทั้งหมดนั่นเองนะเบื้องต้นอาจจะต้องมีการรักษาหรือสมาทานศีลเพื่อความบริสุทธิ์ อเพื่อความบริสุทธิ์แม้จะ ก, การที่จะถวายทานต่างๆเราก็กล่าวสมาทานเรื่องของศีลเมื่อมีศีลแล้วอมีทานมีศีลที่สุดแล้วก็คือทําสมาธิภาวนา น, นั่นเองนงการทําสมาธิภาวนา น, นั่นแหะเราก็ต้องเรียบเรียงบทธรรมต่างๆนะบทธรรมต่างๆที่เรามีความรูร้ความเข้าใจข้ออัดข้อธรรมต่างๆที่เรามีความรูร้ความเข้าใจน่ะเรียบเรียง เรียกเรียงมาเพื่อการที่จะน้อมมาเพื่อการปฏิบัตินั่นเองเรียบเรียงไงก็คือถึงว่ากายของเราเนี่ยมีอะไรเป็นที่ตั้งนะแล้วพิจารณากายของเราเป็นอะไรมีที่ตั้งของกายน่ะพิจารณากายลงไปในกายนี่ก็มีท่าศีน้ําไฟลมเนี่ยมีลูกเสียงกรีดรบพถะธรรมรมอะไรลักษณะอย่างนี้นี่คือการเรียบเรียงบทธรรมต่างๆกายเวทนาจิตธรรม หรือรูปเวทนาสัญญาตั้งขานทั้งหลายเหล่านี้รวมเรียกว่าร่างกายของเราเนี่ยคือการเรียบเรียงบทความบทธรรมต่างๆเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าการทําสมาธิจิตภาวนาเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นในกนลายลักษณะที่เราจิตที่มีความสงบ ต, ตรงนั้นน่ะนะพิจารณาลงไปพิจารณาร่างกายแล้วมีอะไรบ้างเนีก็เพื่อเรียบเรียงบทธรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของเรานะสมาธิเกิดขึ้นเราก็พยายามลําลึกถึงว่าเออความสงบมันเกิดขึ้นอย่างไรและความจสงดเนี่ยเกิดแล้วนําไปใช้กับอะไรในรับแต่ไหนเนี้ยเราตั้งประเดเราต้องตั้งประเด็นในความคิดความปรุงแต่งของเราก่อนว่าเมื่อจิตสงบเนี่ยสงบด้วยอาการอย่างไรและก่อนที่จะเข้าสมาธิแล้วในที่สดุดเมื่อเข้าสมาธิเสร็จแล้วก่อนออกจากสมาธิเนี่ยเรามีความ ปรุงแต่งอย่างไรในสมาธิอย่างนั้นนะ่ะสมาธิก็คือการทําความให้สงบป่าเสะจากสิ่งต่างๆคํ า, าคว่าป่าเสะจากสิ่งต่างๆก็คือที่มารบกวนสิ่งต่างๆนั้นโดยโดยปกติแล้วเขาไม่ได้มารบกวนหรอกเราเองโดยสํานูกจิตของเรานี่แหละเป็นผู้รบกวนะรบกวนในการทําสมาธิก็งเราบ้างนะทาไมจิตจึงไม่สงบอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า สิ่งต่างๆเขามารบกวนในขณะทําสมาธิก็คือการปรุงแต่งนอกจากที่เราจะกําลังทําสมาธิอยู่นั่นเองมีความคิดความปรุงแต่งต่างๆจับเอาความคิดความปรุงแต่งนั่นแหละความปรุงแต่งนั่นแหละเอามาเป็นตัวสมาธิสินั่งกําหนดลงไปเจ็ดใดจึงไ ม, ไม่ไม่มีความสงบเกิดขึ้นนะ่ะจับอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นอารมณ์ เราจับอารมณ์อะไรเป็นที่ตั้งของ์รบินที่ตั้งของจิตก็ได้นะจิตก็เราเป็นอะไรตั้งอยู่ที่ไหนภายในกายเนี้ยเราก็พิจารณาในสิ่งเหล่าเนี้ยพิจารณาภายในกายของเราเนี่ยว่ากายกับจิตเนี่ยจิตมันตั้งอยู่ที่ไหนในส่วนกายนะเราต้องพิจารณานดูว่าร่างกายก็ส่วนร่างกายถ้าสิ่งนีน้ำไฟลมลักษณะอย่างนี้แต่อาศัยที่ว่าจิตมาจิตมาอาศัยร่างกายอยู่ตรงไหนเพราะว่า ถ้าแต่น้อมล้ำลึกไปถึงว่าเออร่างกายของเราเนี่ยเกิดมาจากผู้เป็นมีดามัรดาอันเป็นส่วนที่ที่เกิดของเราในลักษณะอย่างนี้ก็ได้เมื่อเราได้เกิดมาแล้วเราก็ต้องมาทําทํากายกับจิตตัวเนี้ยแยกให้เป็นลักษณะตอนที่จะเราไปปฏิสนธิจับ ก, การมัรดาของเรานี่ยนะและลักษณะอย่างนั้นก็คือกายกับจิตทีนี้ จิตก็เข้ามาปฏิสนธิแล้วเกิดจะมีการเจริญตบโตไ ว, วขึ้นจนถึงภาระที่เราจะต้องออกมาดูสู่โรคในลักษณะนี้เพื่ออะไรเพื่อเรียนรู้เพื่อรู้และเข้าใจว่าระหว่างกายกับจิตเนี่ยพอเข้ามาอยู่ในส่วนเดียวกันแล้วก็กลายเป็นอันเดียวกันแยกกันไม่ออกในลักษณะอย่างนี้กายก็คือส่วนกายจิตก็คือส่วนจิตเราแยกออกไม่จะอาจจากกันไม่ได้แต่ถึงสภาวะ ในช่วงของสุดท้ายการที่บุคคลอื่นถึงความชราภาพบ้างถึงการที่จะต้องทิ้งสังขารบ้างเรามาน้อมระลึกสิ่งเหล่านี้สิเราสิ่งที่เรามาเอามามีอะไรมาด้วยแล้วในทร่ที่เราจับไปเราจับไปด้วยอะไรก็คือจิตของเรานั่นเองนี่คือลักษณะส่วนส่วนประเด็นต้นกับประเด็นสุดท้ายน่ะทีนี้การที่จะสู่ประเด็นสุดท้ายเนี่ยตอนต้นก็ได้เกิดมาแล้ว มาพิจารณาสร้างกายของเราเนี่ยมีอะไรบ้างธาตุสี่ดินน้ําไฟลมนะธาตุสี่ดินน้ําไฟลมที่เราที่ทุกท่านทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าธาตุสี่มีอะไรบ้างทุกคนทุกท่านก็จะอาจจะเรียนรู้ว่าธาตุสี่คือธาตดินน้ำไฟลมนั่นเองนะที่อยู่ภายในกายเนี้ยยังกายให้อบอุ่นยังกายให้ให้ให้ย่อยสลายอนะเลือดลมต่างๆในร่างกายนะธาตุาน้ํา เป็นน้ำเลือดน้าร้องสเล็กน้ำลายในรัชกาญดนี้ธาตุไฟก็อย่างไฟให้อบร่างกายธาตุลมก็อย่างที่ว่าถ้าเราไม่มีลมเข้าลมออกไปในร่างกายเราก็ไม่สามารถที่อยู่ได้ในรัชกาญดีรัชกาญดีเพื่อกันนะเพื่อเรียนรู้ไงว่าเมื่อทําสมาธิจิตลงไปเนี่ยจิตสงบเราจะเอาไปทําเอาจิตไปพิจาจรณาสิ่งหนึ่งสิ่งใดละ่ะเราก็ต้องมาพิจารณากายเนี่ยถ้าเป็นไปพิจารณานอกกาย ก็ไม่ใช่การภาวนาที่เพื่อจะหาจิตให้ความสงบนั่นเองเราไปหาไปสองแสวงหาในสิ่งอื่นนอกจากสมาธินั่นเองแม้แต่ขณะที่เราฟังนี้ก็ตามเราก็ต้องพิจารณาลงไปพิจารณาลงไป ว, ว่าความจริงภายในร่างกายมีอะไรบ้างเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาตามอย่างนี้ที่จริงแล้วถึงเราจะไม่พิจารณาแต่เรามองข้ามว่าทำทั้งหลายนะั่ะก็อยู่ภายในกายภายในกายว่าจิ ต, จ, ตจิตใจของเราเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลย เราจะปฏิเสกว่ามันไม่ใช่ตก็ลงพิจารณาดูว่าใช่หรือไม่ใช่ต้องทําดูแล้วขณะอย่างนี้เมื่อจิตสงบลงไปเนี่ยขั้นของจิตสงบเนี่ยมันก็มีหลายเหตุหลายอย่างนะบางท่านก็อาจจะรวมสงบนิ่งลงไปเลยบางท่านก็รวมลงไปสู่ความละเอียดเลยในลนักษณะอย่างนี้ในขั้นตอนขั้นตอนเราเขาเรียกว่าในเบื้องต้นกเขาเรียกว่ า, เ, เ, า, เ, วาเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งเราก็เรียกว่าเป็นเอกกับขาตารมในเบื้องตอน้นนะและ้วขณะอย่างนี้ พอเอกคะตารมเริ่มเปเรื่องสงบลงไปแล้วเนี่ยแน่นิ่งลงไปแล้วะเอียดลงไปคําว่าละเอียดละเอียบเราก็องรู้และความทําความเข้าใจว่าโดยจิตละเอียดและโดยจิตที่หยาบเป็นลักษณะอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาในลักษณะว่าความละเอียดอ่อนความเข้าไปนั่งความเข้าไปอยู่จิตของเป็นสมาธิเป็นอย่างไรนี่คือการที่เราต้องเข้าไปศึกษาดูหาหาความสงบของเรานั่นเองในลักษณะอย่างนี้ แล้วาจิตที่จะลงสู่แนวไปสู่ถึงอุปจารสมาธิละ่ะมีอาการอย่างไรเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นอุปจาระตอนนี้ก็คือลักษณะถ้าเราจะเปรียบตึงเปรียบึงจริงด ไ, ไม่ได้ก็อาจจะต้องดูตำรบตำลามเพื่อน้อมรึกว่า อ, องค์แห่งฌานนะองค์แห่งฌานเอองค์แห่งสมาธิที่ละเอียดแน่ๆลงไปในลักษณะอย่างนั้นในองค์ของ อุปจารสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะพิจารณาในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถ้าเลยจากอุปจารสมาธิแล้วมันก็กลายเป็นขั้นวิปัสสนาลักษณนี้ไม่ได้พิจารณาลักนี้เป็นเรื่องของที่จะปฏิบัติธรรมขึ้นไปตามส่วนถูงขึ้นไปอีกในลักษณะอย่างนี้จึงบอกว่าเราต้องพยายามเรียนบทความต่างๆนั้ น, น่ะเพื่อที่จะนํามาเพื่อไปปฏัตภาวนาของเราตรงนี้นะ เมื่อเราพิจารณาเมื่อจิตเป็นสมาธิเป็นสงบแล้วแน่แน่ลงายละเอียดแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาดิ่งกายคราวนี้นก็พิจารณาว่าเออกายเนี่ยจิตที่เราต้องอาศัยกายอกายที่ต้องอาศัยจิตอย่างใดอย่างหนึ่งถ้ามีการแตกสายไปแล้วจิตมันก็ออกอ่าก็เรียกว่าออกจากร่างกายถึงสังขารไปนั่นเองอาจจสังขารความปุงแต่งหรือสิ่งที่ว่าอายตนะหกของเราเนี่ยที่เรามีความรู้สึก รูปเสียงกินรูปโธตัปะธรรมรมอะไรต่างๆในลักษณะอย่างเงี้ยมาเราก็ต้องก่อนที่เราจะต้องทิ้งสังขารเนี้ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะมันก็จะลบเลือนไปยังกายเวทนาจิตธรรมก็เช่นเดียวกันมันก็จะหมดลงไปในลักษณะคือจิตนั้นอ่ะถ้าเราฝึกไว้แล้วสิ่งต่างๆนี้จะไม่หมดไปได้เพราะเราล้าน้อมระ ล, ลึกอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติอยู่ถ้าแต่เป็นบุคคลที่ไม่มีร่างการปฏิบัติแล้วเนี่ย เหมือนกับคนลราหลับตานะถึงจะปล่อยทิ้งสังขารก็ทิ้งไปเลยทิงท้งธาตุขันก็ทิ้งไปเลยหลับเลยแต่ถ้าหักว่าท่านของพระเรียาเจ้าแล้วนะท่านพิจารณาโดยตลอดแล้วนะท่านพิจารณาตลอดตลอดการเวลาที่ท่านประพฤติปฏิบัตินานเนี่ยท่านพิจารณาถึงธาตุขันอยู่ตลอดเวลาลดอะไรลดละความโลภความโกรธความหลงหรือความที่มีเกิดขึ้นภายในสังขารแล้วมีอะไรนะมีอะไรที่มาบดบัง หรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให้เราเนี่ยปิดตัวปัญญาให้เราไม่สู่ทางมรรคผลนิพพานได้ในลักษณะอย่างเนี้ยนี่คือสั่งสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาตามในหลักธรรมจริงๆแล้วนะพิจารหาว่าทำที่พระองค์ทรงกล่าวว่าเป็นจริงอย่างไรนะกล่าวว่าคําว่าหลุดพ้นมีความประโยชน์อย่างไรแล้วคำว่ามรรคผลนิพพานหรือสําเร็จเป็นพระอรหนะันต์น่นคืออย่างไรนะ่ะ สิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งว่าเราจะต้องมีทางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเราไม่เดินไปสู่มรรคผลนิพพานได้แล้วตรงนั้นน่ะที่สุดเราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัฏจักรอย่างนี้เกิดกันแล้วกี่ิรกี่ชาติออันนี้ก็คงไม่ต้องพูดถึงว่ากี่ิกิภูชาติถ้าจะนับด้วยกับพระองค์กี่พระองค์แล้วที่พระองค์ตรัสรู้ไว้ในลักษณะอย่างนั้น พระพุทธองค์ของเรานี้ในขนาดนี้ล่วงเลยไปสองพันกว่าปีแล้วยังอีกสองพันอีกสองพันกว่าปีนี้เราจะอยู่ที่ไหนเกิดที่ไหนประพฤติประวัติทําอยู่ที่ไหนน่ะถ้าเราไม่ไมีการที่เรามีความปรารถนาว่าขอให้เจ้าดวงตาเห็นธรรมขอเจ้าถึงเข้าสุนัยเป็นพานขอให้พระเจ้าตรงสู่พระนิพนพานอ่าพระขนิพานาในชาตินี้ที่เรากล่าวคําตรงนั้นน่ะเราก็ต้องมาทําในเบื้องต้นนี่แหละศีล ส, สมาธิปัญญาในลักษณะอย่างนี้ เมื่อจิตสงบล้วก็ต้องพิจารณาธาติการลงไปเพราะเจอพิจารณาธาติการลงไปอะไรที่มันเกิดเท่งคือทุกสมุทัยรักตันอย่างเงี้ยอะไรเป็นบ่อเกิดแห่งทุกอ่ในมาพิจารณาของเรื่องทุกต่างๆทุกถามว่าในในที่สุดของทุกเนี่ยทุกท่านทุกคนก็ต้องประสบกับความทุกทั้งหลายทั้งหมดแหละไม่มีใครพิยไม่มีหรอกคําว่าทุกอะไม่มีก็นั่นแหละคือทุกที่มันเกิด อะไรเป็เหตุเกิดทุกข์ตรงลักษณะอย่างนั้นก็คือสมุทัยเป็นเหตุสมมติว่าเอาแ็่ว่าเรามองอตาที่ไปเห็นหูที่ได้ยินฝังเสียงเอลิ้นได้ลดนินลดในรักษณะตาได้มองเห็นนูน่นมาเห็นนี่ในลักษณะหาอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นในลักปะนี้มากระทบมาผัสสะหรือถูกต้องผกปั้นธรรมลมแล้วมาผัสสะตรงนี้ลักษณะเนี้ย อะไรที่มันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนั้นนะถ้ามันเป็นลักษณะตี่ว่าบุคคลคนอื่นทำให้เราต้องมีความโกรธบ้างไม่พึงพอใจบ้างในลักษณะอย่างนี้ถ้าสิ่งนั้นสิ่งนี้มากระทบเราเนั่นแหละ ความละเอียดที่เราติตเราต้องเข้าไปพิจารณาถึงในในลักษณะที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะสิ่งที่เราได้มองเห็นแล้วไม่ประสบอารมณ์ต่างๆนั่นนหะให้พิจารณาถึงความละเอียดในลักษณะอย่างเงี้ยนะความลรคความเกิดความหลงนี่นลมลันเกิดขึ้นหลงด้วยหลงอะไรในลักษณะเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราเข้าพิจารณานี่ยมันก็เป็นธรรมทั้งหมดเลยนาะถ้าเราไม่พิจารณาสิ่งต่างๆนั่นแ่ะถึงแม้จะทุกจะเกิดเพราะวัเนเจอไข้ได้ป่วยเนี่ยเราก็ปล่อยผ่านเลยไปเราไม่ได้ยกขึ้นมาเป็น สังเกตว่าเราเนี่ยกําลังทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไม่จับทุกข์ขึ้นมาเกิดซึ้งเกิดที่มันเกิดขึ้นเราก็จะไม่เห็นทุกข์ในลักษณะอย่างนี้คําว่าทุกขสมุทัยนิโรธมรรคก็จะไม่เกิดกับเราเราะฉะนั้นบทธรรมต่างๆถ้าเรียงฟา ร, ร์มแล้วเข้าไปดูเข้าไปพิจารณาถึงอย่าพิจิตย่าไปพิจารณามากโดยบทธรรมเอาแค่ว่านะเราจะทํฟาร์มต้องผมยังไงทําให้ได้ แล้วความสงบที่เกิดขึ้นเรวนาไปใช้กับอะไรอันนี้แหละเป็นงานเป็นการที่เราจะต้องทำเราต้องเราเราจะต้องพิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าเมื่อสมาธิเกิดขึ้นเราต้องมีงานทำเป็นเรื่องของจิตหลักนะในขณะจิตที่มีความสงบถ้าไม่สงบเราอาจจะพิจารณาในลักษณะเหมือนกับเราเรียนรู้สิ่งภายนอกนะกับสิ่งที่ภายในเกิดขึ้นการจับพิจนารณาเป็นคนสนกัน สิ่งที่เราเห็นพิจารณาภายในเนี่ยที่เราเข้าไปตัดอาสวะทั้งหลายเนี่ยนะถ้าเราเห็นภายนอกเราเรียนรู้ในภายนอกนะตาลับตามตลอดดาราหรือได้ยินได้ฟังเนี่ยอันเราได้ยินในฟังอันเป็นเป็นเสียงภายนอกแต่เรานำเข้าไปสู่ภายในเพื่อการพิจารณาให้มันเกิดตัวปัญญานั่นเอง ถ้ามันเกิดตัวปัญญาแล้วเนี่ยเราก็จะรอบรู้รอบรู้ในกองสังขาราเราจะพิจารณาเรื่องอะไรความโกลกความกฎทั้งหมดก็ต้องพิจารณาตรงนี้ความละเอียดไม่ใช่ว่าลักษณะได้เราได้ยินงได้ฟังไอันนี้ความเอียดไม่ใช่อย่างนี้แต่เราต้องเข้าไปพิจารณาโดยทําสมาธิเป็นสิ่งเป็นอนัเนกของตัวเราเองนั่นเองนะไม่มีใครที่จะมาบําทําให้เรากับสิ่งเหล่านี้ได้เนะปัญญามันเกิดขึ้นแล้วลักษณะอย่างไรองรเราก็ต้องพิจารณาเนี่ยเข้าถึงสินสมาธิ คือปัญญาพราะปัญญาเกิดขึ้นนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องหาทำที่สูงสูงขึ้นไปอีกคําว่าอาเรียรเจ้าอาเรียรเจ้าเนี่ยนะนะหรือโสดาบันสกิทานาคาอรหัตมาตผลเนี่ยในสิ่งเหล่านี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณายามบทความอย่างหวังอย่างแน่นอนและอย่างละเอียดถีท่้อ่นที่สุดเลยถ้าเราไม่พิจารณาตรงนี้เราจะข้ามพ้นไม่ได้เลยในลักษณะของบทของธรรม ตีเด็คำว่าละอาสวะอาสวะที่มีภายในกายถามว่าภายในกายเรามีแต่ธาตุสีน้ำไฟลมแต่การล ะ, ละละอยู่ที่ดวงจิตของเรานั่นเองจิตเป็นผู้ปรุงแต่งจิตเป็นผู้ที่สัญหาจิตเป็นผู้ที่เอ่อความเป็นผู้ที่จะทําให้หลุดพ้นไปได้ก็โดยจิตของเรานี้ฉะนั้นอาจจะมองว่าเออธาตุขันธ์ของเราเนี้ยไม่เอื้ออานวยต่อการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติธรรมเนี้ยเนี่ยเป็ น, ปนสิ่งที่ ที่เรามองข้ามว่าสิ่งที่มันมีอยู่เป็นอยู่เราไม่ได้มองไม่ได้มอ ง, ไ ม, ไ, มองไม่ได้พิจานะรณ า, าตรงนี้ถ้าเราพิจารณาตรงนี้เราก็จะเห็นนั่นเองว่าจะไม่มองข้ามเลยการเดินการนั่งการนอนหรือแม้แต่การประกอบสมาีพเนี่ยมันก็อยู่ในเรื่องของการด้วยพิจารณาได้หมดเลยในลักษณะธรรมที่สูงสูงนะเราก็ต้องพิจารณาโดยเบื้องต้นนี่แหละการก้าวเบื้องต้นก้าวหนึ่งก้าสองก้าสามไปเรื่อยๆอย่างลักษณะอย่างนี้และคําว่าอาสวัคเกเรสเนี่ย อ, อ่มีด้วยกันมากมายนะอาสวะก็คือความที่หมกมุ่นอยู่ในสภาวะความเป็นอยู่ของจิตนั่นเองนะหมกมุ่นในเรื่องอะไรก้เรื่องของราคะปฏิคะอกคตต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาเพื่อหาความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อหาความเยนเ็นแปลว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะหาความทุกข์ ไม่ใช่ว่าทุกเกิดขึ้นแล้วก็อช่างมันปล่อยวางไปมันไม่ใช่เงี้ยเราต้องเข้าไปหาตัวความจริงของทุกอะไรคือทุกที่ไม่เกิดขึ้นภายในจิตของเราสังขารไม่ได้มาทุกข์กับจิตเลยแต่ว่าสิ่งสองสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งเอื้ออํานวยด้วยกันทั้งสองประการแล้วถามว่าในพระอริยเจ้านะคําว่าพระอริยเจ้านั้น่ะถึงบทความสําคัญแล้วตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะเนี่ย ท่านมีอะไรนะท่านจากไปเราได้เหลืออะไรหรือท่านเหลืออะไรไว้ให้เราได้พิจารณาบ้างนะถ้าจะรัพิจารณาตามตามธรรมของท่าน่นะก็มีเห็นได้เห็นชัดนะ่ะท่านได้พิจารณาธาตุขันของเขาของท่านเหล่านั้นพิจารณากายนะในในกระดูกคือธาตุสี่นี่ธาสี่ที่มีภายในกระดูกเนี่ยเอหรือผมเกสาน้าขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเช่นพิจารณาสิ่งเหล่านี้ นะท่านพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาอีกจนเห็นความเป็นจริงในลักษณะนี้แล้วจะมีการปล่อยวางว่างลงไปในลักคนิคือความจริงต้องปรากฏอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางลงไปลไปักษณะนี้ฟอกอยู่ขณะที่ประพฤติปฏิบัติ น, นี่มีการทําตรงนี้ให้ให้บรรลุผลนั่นเองนะฟอกจิตฟอกใจฟอกอะไรแตะะร่ละสารพัดวันะ่ะจนได้ในที่สุดแล้วท่านได้มรณนะท่านจากไปแล้วสิ่งที่เราได้กล่าวว่าได้เห็นเนี่ยตั้งแต่คำพรธองค์เป็น นะข้างพุตธการที่พระองค์ทรงบรรลุธรรมหรือได้เข้าสู่พรนิพพานก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็เหลือไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุพระริยสงสาวกของของพระองค์ในขั้วพุทธการนั้นก็มีมากมายได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมนะแล้วในที่สุดแล้วก็เหลือให้เป็นพระธาตุเป็นพระธาตุเป็นพระอาหารของพระริยเจ้าต่างๆในลักจุบอย่างนี้แล้วถามว่า ระหว่างกายกับจิตนั้น จิตเป็นผู้ที่ทิ้งสังขารไว้ให้ให้เหลือไว้เป็นเพชรเป็นพลอยเป็นสีสันต่างๆนั่นนะให้เราได้ได้เข้าไปเพื่อพิจรนารณาตามหลักธรรมถึงแม้เราจะน้อมนํามาเพื่อการปฏิบัติธรรมน้อมนํามาเพื่อความเจริญในสิ่งที่เราจะควรเจริญเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยน้อมถึงท่านเหล่านั้นได้วันรู้ธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนํามาสู่ตัวเราเองเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นถึงเราจะไม่ได้ในภพนิชชันนี้ ยังมีอีกหลายพบเราก็พยายามตัดพบให้มันเหลือน้อยลงไปในลักษณะยอย่างนี้แล้วคำว่าหลุดพ้นนะทิ้งสังขารก็คือจิตนี่แหละเป็นผู้ที่ฟอกทิ้งสังขารให้เป็นเป็นแก้วแวนเงินทองในลักษณะที่เราได้กล่าวไาจิตนั่นแนะ่ะเป็นผู้หลุดพ้นไปนะไปสู่แดนแห่ง พระนิพพานในที่สุดแล้วในลักษณะอย่างนี้นะจึงบอกว่าธรรมะทั้งหลายอยู่ภายในกายของเราเนี่ยพิจารณามไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติสุลธรรมประพฤติธรรมเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญของเรานะในการที่เราเกิดมาหนึ่งภพชาติภบนี้อย่าให้เสียโอกาสในการที่เรามีปัญญามีสมาธิมีความประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายนะใน ทำทั้งหลายนั่นน่ะมันก็ประกอบด้วยองค์นะมีปัญญามีสมาธิมีขันติมีสัจจะเนี่ยลับแต่ไหนเนี่ยเราต้องเดินตามหลักธรรมทั้งหมดเลยขันติก็คือความอดทนวิริยะคือความเพียรเนี่ยในธรรมทั้งหลายเนี่ยเราต้องนำมาลูรวมมาอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราทั้งหมดเลยนะบางครั้งเนี่ยเกิดความท้อแท้เกิดความไม่สะดกสบายอะไรต่างๆเราปล่อยวางเถอะ มันก็โอกาสที่จะหมดไปมันก็การเวลาก็ไม่สามารถที่จะดึงกับมระสูบเป็นปัจจุบันได้ดังนั้นปัจจุบันเรามีการมีเวลาเราก็ควรที่จะประพฤติปฏิบัติทำขห้เราโดยความที่ ในที่สุดแล้วเนี่ยเราไม่มีใครที่จะมาหยิบยกให้เราไปสู่มรรคผลนิพพานได้เราต้องเป็นผู้ที่เพิดปฏิบัติธรรมได้เป็นญาหินธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมในลนักษณะอย่างนี้ไม่เหมือนกับการที่ว่าเราประกอบสมาีพแล้วมาสามารถที่จะหยิบยื่นหรือหยิบยกให้กับผู้นู้บุคคล น, นี้ให้กับผู้เป็นวีดามันดาได้ให้กับ พุทธศาสนาบำรุงพุทธศาสนาซ่อมแซมสิ่งต่ตางๆในทักษสนานี้เราเป็นผู้ให้ได้แต่จิตใจของเราจะหลุดพ้นนั้นไม่มีใครที่จะนำออกจากวัตฏะนี้ไปได้นะโดยความที่เราเนี่ยต้องประพฤติปฏิบัติเองนะได้ลวงตปเองแล้วแล้วเข้าสู่มรรคผลนิพพานเองนะโอกาสมีการเวลาเรามีสมมติว่า การเวลาวันหนึ่งอ่ะมี24ชั่วโมงเราตัดออกไปสักหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสมชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะเาต่อวันอ่ะเรามาเอาเวลานั้นมาเพื่อปฏิบัติทํากิจของเราให้ควบคู่ไปกับกายไม่อันนี้เราให้กับเวลากับสังขารมากเกินไปคําว่าให้สังขารถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นที่เราถ้าเราเกิดไม่หล่อเลี้ยงสังขารต่อต่อสัมมาทีมาหล่อเลี้ยงสังขารแล้วเนี่ยเรา เราก็ไม่มีใครที่จะมาดูแลตังขาเราได้งั้นการประกอบสมาธิเนี่ยเรามีโอกาสมีเวลาให้เขามากเกินไปนะต่อ ว, วันนะจะทำได้ไหมสักครึ่งเวลาสักครึ่งวันเหมือนกับพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยที่ท่านทรงสิ้นทรงประพฤติปฏิบัติเนี่ยท่านมีโอกาสและเวลามากถามว่าในคำวบระการนั้นอนะ่ะมีผู้ที่เป็นบวชศพศิกาาสามารถได้บรรลุธรรมไหมมีมากมายนะเราจงไปดูในสักของ สาวกสายวิการได้บรรลุธรรมด้วยดวงตาเห็นธรรมได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มากมายนะเราก็ต้องจับจิตจับกายของเราเนี่ยน้อมนําไปเพื่อสิ่งเหล่านี้บ้างดูบ้างหรือว่าเป็นอย่างไรบางครั้งเราก็ต้องหยิบยกเอาสิ่งที่เกินเอื้อมหรือเกินที่เราจะเข้าไปถึงเนะี่ยเราก็ต้องทําตรงนั้นให้ถึงให้ได้แล้วต่าอย่างนี้นะทำทั้งหลายก็บอกแล้วว่าอยู่ภายในกายของเราเนี่ยไม่ต้องไปพิจารณาที่อื่น ไม่เหมือนกับการประกอบสำม า, าชีพเราจะต้องไปไปที่นู่นที่นี่ไปตรงนู้นตรงนี้ไปเพื่อที่ประกอบถ้าเป็นเรียกว่าการเกษตรก็ต้องไปนู่นไปในไร่ในานานในสวนนั่นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าจิตของเรานั่นแหละอ่าเรายัางนำพาหลังสังขารเราไปทําได้แล้วทําไมจิตจึงไม่พาประมาน้อมนําเพื่อเป็นบัติเพื่อดวงตาเห็นทำในลันกษณะอย่างนี้บ้างนะก็ขอให้เราเนี่ย ออมีการเวลาที่ผสมดุลกับการที่เราดูแลสังขารเรานำมาดูจิตของเรามั่งเพราะว่าจิตของเราเนี้ยมันจะต้องไปสู่พบสู่ภูมิสู่การเกิดอีกแน่นอนนะอยากคิดว่าหมดแล้วชาตินี้ก็หมดกันไปบางคนมีทุกข์ทรมานมากก็ทำวินิบาตตัวเองบ้าง ตายไปแล้วก็ไปตกนรกบ้างในลักษณะอย่างนี้ในเมื่อเราไม่มีสิ่งที่จะต้องไปสู่อบายภูมิแล้วมีแต่ภูมิสวรรค์นิพพานเป็นที่ตั้งของเราในลักษณะอย่างนี้นะขอให้ทุกท่านทุกคนมีโอกาสและมีเวลาเพื่อไปปฏิบัติทำนะโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปกํำนึงถึงบุคคลนู้นบุคคล น, นี้เอาตัวของเราเองนะเอาจิตใจของเราเนี่ยเข้ามาพึ่งไปเลยทําแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราอัติอตโนโนาโถและตนเลยเป็นที่พึ่งตนที่สุดเลยไม่มีใครจะพึ่งได้ แม้แต่พระพุทธองค์ทรงประกาศทำทั้งหลายไว้ะถ้าใครแม่นำน้อมนำไปเพื่อการพระพุทปฏิบัติเพื่อการน้อมมาบูชาส่วนหนึ่งเพื่อการปรฏิบัติส่วนหนึ่งเนี่ยในสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เกิดกับเราแน่นอนที่สุดเลยในยลักษณะอย่างนี้ก็ขอให้เราเนี่ยตั้งใจประพุทธปฏิบัติเอาเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆแม้แต่การไหว้พระสดมนทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยเราพยายามสละเวลาให้เป็นกิจประจำวันของเราคิดว่าในโอกาสที่เราได้สวดมนนะนะั้นน่ะทำจิต ตัภาวนาไปด้วยเราก็จะเข้าใจจิตของเรานะเข้าแล้วก็อ่าโอเรามากอาศัยเพียงร่างกายนั้นเองเดี๋ยวเราก็ต้องทิงแล้วในลักษณะแต่ว่าเข้าไปคุณธรรมทัานสูงนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปพิจารณาอย่างอย่างมากเลยนะอะ่ไม่ใช่ว่าในลักษณะที่เราได้ยินได้ฟังคนีมันเป็นส่วนที่เราดีในฝั่งแต่เป็นส่วนถ้าเข้าไปประพอปฏิบัติแล้วเราจะได้เห็นเห็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นในลักษณะของการนําธรรมะปฏิบัตินั่นเอง ดังนั้นจึงขอให้เราเนี่ยรวบรวมการเวลาให้สมดุลกับการเป็นอยู่ของปัจจุบันนี้ให้ได้นะขอก็ขออนุโมทันกุศลที่เราได้บาเพ็ญในวันนี้น่ะตั้งแต่นิมนต์พระเจ้าประสงค์มาจเจริญพุทธมนต์บ้างทําตักบาตรถวายมั่งหรือโดยน้อมนําถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พาหของเราบ้างในลักษณะนี้ถามว่าโดยจิตที่เราตั้งมั่นลงไปแล้วเนี่ยเอาจิตของเรานั่นแหละ เป็นพลังเป็นภาวะเป็นภาะวะปัจจัยน้อมนำสู่ขององค์งงท่านในลักษณะเ น, นี้นะขอให้ท่านปาฏจากรโลกาภายพิบัติต่างๆขึ้นโดยเกิดขึ้นให้หายโดยฉับพลังให้สมบูรณ์นะกลับขึ้นสู่สภาวะเป็นสมบูรณ์ต่อไปนะก็ขออนุโมทนาคุณกับสถานยมที่เราตั้งใจโดยวันนี้แล้วในสภาวะแล้วก็เป็นลักษณะที่ว่า มีความมีภาระส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะต้องมีกิจนั่นเองก็โหนุตนานะเอวังก็มีด้วยปากาศรชาชนี้เนะาะสาธุใจรับพรโมดนานะนี่ด้วยอา้าวบุญอุศนที่เราได้บริจาคให้เป็นทาน หรือปัจจัยใจธาตุต่างๆที่เราน้อมนามาถวายเพื่อเพื่มบำรุงดูแลพุทธศาสนาให้มีความเจริญสืบต่อไปนั่นเองอ่าขอขอให้บุญกุศลเนี่ยเป็นภาวะเป็นปัจจัยเป็นพลังส่งให้ถึงซึ่งมรรคผลนิพพานตรงนี้นะน้อมนำเอาบุญกุศลที่เราได้บําเพ็ญได้น้อมนำได้ถวายเป็นทานต่างๆเนี่ยให้กับผู้มีพระคุณเช่นบิดามัรดา ผูกวาอาจารย์ของเราที่ได้ประสิทธิศาสตร์ปัญญาศษษษษิลปะวัตยาวิทยาให้กับเราต่างๆในสิ่งเหล่านี้ให้น้อมอุทิศให้ท่านเหล่านั้นมารับผลบุญกุศลที่เราได้ทําในวันนี้อ่าในเมื่อเขาได้รับทุกข์ก็ให้พบผลจากทุกข์ได้มีความสุขเจริญขึ้นต่อต่อไปขอให้เหล่านี้ทั้งรูนทั้งสุขภาพพลานวัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการนะ เกิดในที่ที่ดีนะถ้ามีการเกิดอีกถ้ายังไม่ได้เกิดมากลับมาเป็นมนุษย์ก็ไปอยู่ในพบในภูมิสวรรค์นั้นที่เราได้บำเพ็ญของเราไว้ในรักษณำแหนงนี้แต่จริงๆแล้วเรายังมีความคิดความปรุงแต่งที่ดีเนี่ยก็สามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้จงทำให้เป็นผู้ที่เอาจิตของเราเนี่ยให้ถึงซึ่งสมเด็จเป็นพระอรหันต์ได้นะแล้วก็เราพยายามไปศึกษา ประวัติภาษาวกสาวิกาในคำประการนั้นเพราะเราศึกษาเพื่ออะไรให้มันเป็นปิติให้เป็นพลังเป็นภาวะปัจจัยให้เราเป็นหนทางให้เราได้เดินตามนั่นเองในลักษณะแบบอย่างที่ดีในลักษณะเพราะแม่คุูบาจารย์เราก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะเราเราก็น้อมนํามาเพื่อการเป็นปฏิเพื่อความรู้ยิ่งในธรรมของพระองค์ทั้งปัันทั้งปัจจุบันทั้งปวงธรรมการเลยนะตั้งใจ ยะถาวาริวะปูราปริปุร r นติสักขรางเอวะเมวิโตดินนางเปตานังอุปกปติอิจิตัปฏิตังตุมหังคิปามเมวสมิจันโตสํมเบปุรินโตสังกปะจันโตปนารโสยะถา มนิโชติระโสยถาสัมบีติโยวิวัจจันตุสัพพารโกวินัสตุมาเตพวัตวันตรายโยสุขีลีกายโขปวะภิวานนาสิริสนิจังวุธาปาจายโนจตารโรธรรมวทันติอายุวันโนสุของพระรัง อายุโดบรอดโธเทียโรวันนโดปฏิภาณนโดสุขสัน t ตาเมธวีสุขังโสอาทิคันจติอายุนตวะบรังวันนางสุขังจะปฏิภาณโดดีคาุยาสาวโหติยาทอยาทูปะบาจติติภาวะตุสัพมังกราราคันโตสัมปิวตาสัมบบุตานุภาเวนสัมบะธัมมานุภาเวนสัมบะสังฆานุภาเวน สัทสทีปวันตุเตาทุ